เราก็อุ่นใจหลพวพ่อก็มีที่พึ่งเพราะเราก็มีที่พึ่งเห็นกันระยันมิตกันการไปศารก็อยู่นี่การต้องขานหลวงพ่อกลมการทรงศีลเพื่อนการทำเมฆแม่ชีญาโยมแล้วก็มีหลักสูตร คือกายคือใจน อ, อกจากเราเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันแล้วทุกคนก็มีกายมีใจครูอาจารย์ก็มีกายมีใจเราผู้ศึกษาก็มีกายมีใจได้เป็นมาแล้วมาใช่เฉพาะเราอยู่ที่นี่เวลานี้การนี้หลาย ที่ก็ทาวัดสวดมนต์แสดงธรรมเหมือนกันตามวัดวาราม <AJ 2> ต่างๆลังเทศลังสอนกันอยู่ไม่ใช<า>่เราอย่างเดียวมีท ăng, ั่วๆไปแล้วก็ น อ, อกจากการเวลาที่จิจตจวัดวิธีวัดมีแล้วเรายัางได้อาศัยการกระทำของเราอย่างต่อเนื่องมีกายมีใจมีสติอ่านหักสูตรสูตรก็คือกายคือใจ เอาสติไปอ่านไปเห็นเหมือนกับท่องจำการท่องจำของการปฏิบัติคือให้รู้อยู่กตัวอยู่ไปแล่งกายเหมือนเราท่องหนังสือหนังสือมันก็มีแต่เราต้องไปดูหนังสือ ตัเฉยเฉยไม่ได้ต้องหัดว่าตามภาษาเอเวเมสุตังเอกังสมยังพักคารวาภาลานาะสิเยอิสิปตะนามะเลอิสิปะเนเดนะมขะทาเยปัญญคีอัาวิมันโดยสุว่าไปทีแรกมันไม่ติดแต่ว่าไปว่าไปหลายรอบมันก็ติดปากไม่ต้องไปดูหนังสือ อันก็ว่าไปได้เพราะมันติดเป็นการเจริญสติไปในกายก็เช่นเดียวกันเอาใส่กายเคลื่อนไหวจะเป็นลมหายใจก็ได้จะเป็น <c oughs> อรีอรีบทยกมือเคลื่อนไหวก็ได้ <c oughs> จะเป็นการเดินจงกรมก็ได้ ที่ปวดหบหยา บ, บ, บยืนเดินนั่งงอนอรู้แต่บางทีก็มีเจตนาบางทีไม่ได้เจตนาเช่นมันคิดขึ้นมาไม่ได้เจตนาก็ ร, า ร, รู้อย่าให้คิดฟีฟอย่าให้หลงฟีฟีอย่าให้ทุกข์ฟีฟีอย่าให้โกรธฟีฟีรู้รรเห็นอย่าให้มัน ผ่านไปเฉยๆใช้ประโยชน์จากอาการที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นนะเจ็บตกก็ เ, เรียกว่าเจ็บตกตรงนั่นก็ดีเหมือนกันนอกจากเราเจตนาที่จะตั้งสติไว้กับลมหายใจเข้าออก หรือต้องสติไว้กับการเคลื่อนไหวก็ยิ่งดีมันใจมีการโอบลู่โอบโอบถ้าไม่หัดมันก็ไม่โอบมันผ่านไปเฉยๆไม่มีประโยชน์ในพระสูตรก็มีอยู่แล้วากายและปัชนาสติปัฏฐานอยู่กับเรานั่น มันก็ไม่ได้อยู่ในตำรามันต้องไปอ่านมันก็เท่ันท่องจําแต่สติมันจะไปอ่านมันจะติดเห็นกายเคลื่อนไหวที่ใดก็รู้นั่นแหละภาวะที่รู้มันติดมันจุ่มมันต่อมันไม่เหมือนท่องจํามันท่องจํายังเป็นภาษาที่อยู่ภายนอกพระหิทธาทำทำภายนอกนอยังใช่ไม่ได้ อัจฉตายะทำคือทำภายในมันใช่ได้เมื่อมีสติไปในกายมันใช่ได้มันก็รู้แล้วเวลามันสศกมันทุกข์มันก็รู้เพราวะว่าที่รู้นี่ว่าใช่ได้เพราวะว่าที่เป็นยังใช่ไม่ได้เป็นสศขเป็นทุกข์ยังใช่ไม่ได้ เหมือนภาษาท่องจำว่าสติชื่อความรู้ได้สำปัญญาคือความรู้ตัวมันยังใช่ไม่ได้ใครใครก็ว่าได้แต่มันยังใช่ไม่ได้ความโกรธก็รู้ความทุกข์ก็รู้แต่เวลาเวลามันโกรธมันเป็นผู้โกรธยังใช่ไม่ได้ แต่มันทุกข์ยังเป็นผู้ทุกข์อยู่ยังใช่ไม่ได้ให้เห็นมันทุกข์กิงจะใช่ได้ไม่เป็นผู้ทุกข์ใช่ได้อัดใช้ให้มันใช่ได้สิ่งที่ผิดทำให้มันดีมันก็ดีได้สิ่งที่เสียหายชดโสมทำให้ดีมันก็ดีขึ้นมาได้ในกายในใจเรานี้อันที่เป็นธรรมมันส้มได้มันดีได้ อกุศลทใ า, ท า, ทาให้เป็นกุศลได้อกุศลคือบาปเปลี่ยนบาปไปเป็นกุศลถือให้มันไม่บาปไม่ทุกอกุศลคือวันทุกเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลคือไม่ทุกเห็นทุกไม่ทุกก้นจากทุก นี่มันใช่ได้อย่างนี้ชีวิตเราจึงเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วก็พ้นจากความหลง่แหละจึงมีธรรมะพ้นจอบความทุกข์พ้นจากความโกรธพ้นจากความโลภมันจึงมีธรรมเกิดขึ้นถ้ายังไม่พ้นยังไม่มีธรรมที่เป็นกุศลเป็นต่ที่มีที่เป็นแต่อกุศล เมื่อไรเราจะเปลี่ยนสักทีจะอยู่จนตายอย่างนั้นเดเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างมันก็มีอยู่ความหลงก็มีอยู่ลองดูว่าแต่มีความรู้สึกจะเห็นตัวหลงในต่อหน้าต่อตาเพราะวะที่หลงมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ไปซอกไว้ค้นหาที่ไหนเหมือนตลาดนัดของสิ่งสรรพจริง ถ้ามีสติไปในกายแล้วกายนี่เป็นตลาดนัดกุศลหรอกกุศลใจก็เป็นตลาดนัดกุศลรอกุศลหาไม่ยากเพียงแต่เรามีสติดูเนี่ย ว, ว้ตอบอเองเห็นเอาเองพุณเจ้าสอนอย่างนี้พุณเจ้าบอกว่าอย่างนี้ ทำเองถ้าท่านหลงท่านก็ทำมาเองให้เป็นภาวะที่ไม่หลงพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนการกระทําเป็นหน้าที่ของภิกษุทั้งหลายไม่ชีทั้งหลยยายญาติโยมทั้งหลายภิกษุแปลว่าผู้เห็นภยัยถ้าไม่เห็นภยัยยังไม่พุ่นภยัยที่ใครเป็นผู้เห็นภยัยผู้นั้นนี่ว่าเป็นภิกษุ เห็นความหลงว่ามันไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องอันนี้รู้ว่าเห็นภัยพ้นจากภัยเห็นความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องด้วยพ้นภัยไอเห็นภัยอย่างนี้ที่ว่าเป็นภิกษุเพื่อใครใครพ้นไปอย่างนี้ที่ว่าเป็นภิกษุเพราะเห็นจึงพ้นถ้าไม่เห็นมันไม่พ้น ไม่ได้ปฏิเสธถ้ามีสติมันจะเป็นการศึกษาถหลงย่อยได้บทเรียนได้ประสบการณ์อย่างนี้ไม่น่าจะขี้เกียจไม่น่าจะโตลองอะไรถ้าไม่รับผิดชอบถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ก็เท่ากับทําลายตัวเองมันมีอยู่ในตัวเรานี่ ถ้าจะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตัวเองถ้าไม่เชื่อตัวเองก็ไม่มีค่าอะไรชีวิตเราเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้ลือกงามยามดีโชคสตาราสี น, นั้นใช่ไม่ได้เลยไม่มีความสำเร็จถ้าไม่มีการกระทำให้เกิดขึ้นเสร็จแล้วจึงมีกรรมฐ า, านคือการกระทำแบบนี้ ขึ้าแล้วเราก็ช่วยกันมาได้จริงๆแต่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันได้บอกกันได้ชี่ทางกันได้ชวนมาทางนี้อย่าไปนูน้นอย่งนี้บอกได้แต่ถ้าไปหัดก็คนที่ถูกสอนก็ทำให้เป็นคนที่ถูกบอกก็ทำให้เป็น แต่คนที่ทำอยู่เราบอกเขาก็ทำเป็นถ้าไม่ทำเมื่อบอกเฉยๆมันก็ทำไม่เป็นอะไรก็เป็นอย่างนี้เราจึงหัดสิ่งที่ได้ยินมาสิ่งที่เราได้ยินก็มีอยู่กับเรานี่แล้ว ตรงไหนที่ได้ยินมาเช่นมีสติไปในกายมีสติไปในกายแล้วก็ทําอยู่สิ่งที่เราได้ยินเราได้ทําสิ่งที่เราได้ทําเราได้ยินอันนี้ก็เรียกว่ากัลนะยาณนะมิตรสิ่งจำเป็นต้องมีเรียนตามพ่อโกตามครูมีผู้สอนมีผู้ทําตาม มันจะไม่เสียเวลาไม่ใช่สุมสีสม5ด้นเราหาเอามันพระศีตะถาออกปวดมื่อแรกทั้งหกปีไม่มีใครชี้แจงเรื่องนี้ชี้ไปเรื่องอื่นจนมาค้นได้จากกายอนป้องสอกจะวาวะหาคืบมีจิตมีใจนี่ ว่ามีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำอาราปิสัมปชานุสติมาวินะโเอเยอภิชาโทมัสงังเวลาบังเกิดอะไรขตินกายถอนออกมาให้เป็นภาวะที่รู้มันจะมีอีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายป้นอะไรต่างๆ สุขเป็นทุกข์ด้วยเวทนาเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นปวดเป็นเมือ่อย <c oughs> นั่นก็เห็น <c oughs> อย่าเป็นเห็นเวทนาจักว่าเวทนา <c oughs> ไม่ใช่จัดบคุคคลตัวตนเราเขานั่น <c oughs> เห็น <c oughs> สักแต่ว่า เป็นอาการที่มาเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นถอนอกมาให้เห็นอยาเป็นแต่ก่อนมีตัวมีตนอยู่ในกายมีตัวในตนมีตัวมีตนอยู่ในสุขมีตัวมีตนอยู่ในทุกข์มีตัวมีตนอยู่ในความพอใจมีตัวมีตนอยู่ในความไม่พอใจ เป็นอย่างนั้นมานานเฉนนานในสัตว์ในโลกนี้อันนั้นอันเป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยโลกโลกมันเป็นอย่างนั้นรสของโลกเป็นอย่างนั้นมีรสชาติสุขก็เป็นรสชาติทุกข์ก็เป็นรสชาติพอใจไม่พอใจเป็นรสเป็นชาติของโลก สว์โลกติดอยู่ที่นี้ไปไม่ได้ออกจากโลกไม่ได้ชีวิตไปห้อยไปแขวนกับสุขกับทุกข์กเอากลเอาใจไว้เป็นให้เป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เลยผิ ด, ผดให้เลยเห็นให้เห็น สักแต่ ว, ว่านะมันก็เป็นอย่างนี้เบิกทางไปใส่ไปไปทีแรกก็ชวนกระแสยสักหน่อยมันจะเป็นง่ายจะเห็นยากสักหน่อยแต่การเห็นนี่มัแสงรีบลีแต่ตามไปเถอะมันจะสว่างไปมันไม่มากทีแรกแต่ต า, ามแสงน่าจะไปอว่าที่เห็นนี่ยมันเป็นแสงสว่างเป็นกระแสเป็นนิมิต ผู้ที่จะเลิญสติจะได้กับเสแยแห่งพระนิพพานคือมันเห็นอย่างเนี้ยเอาว่าที่รู้มันก็มีสตินั่นแหะเสแย่แล้วนะเป็นทางไปแล้วให้เห็นนะ่ะเป็นทางไปแล้วเห็นกับเสแยแห่งพร ะ, ะนิพพานกับเสแย่น้อยๆไปในลวมันหลงเห็นมันหลงเนี่ยเอาไปเถอะ แล้วมาสร้างภาวะที่รู้ขึ้นมาอย่าไปหาเหตุหานะผลทาไมจึงหลงทาไมจึงทุกข์อย่ามีทาไมนักปฏิบัตินักเจริญสติไม่มีคาว่าทาไมภาษาไทยฉบั์นี้ลบออกได้ทาไมจึงเป็นอย่างนั้นทาไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปใช้เลยนี่แต่เห็นเป็นเช่นนั้นเอง ให้เป็นลายช่างหมั่มันจะเกิดกับตัวเราก็ตามจะเกิดกับคนอื่นก็ตามที่เงินก็ตามมันจะได้ดีใสใหม่ของยากายเป็นของง่ายถ้าไม่ไหวไม่ไห ว, ไ ม, ไวมันจะยากถ้าไม่เป็นแรงมันจะง่ายมันจะเบากว่าคําว่าไม่ไหวนี่เรีว่านิดตไซ เธอเยอะเครื่องมือที่ทํทำให้หลุดพ้นเราอย่าจนหามาในชีวิตเหล่านี้เวลามันทุกก็อย่าเป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์เห็นสักว่าสักว่าสักว่าไปเห็นคิดที่มันคิดอย่านึกว่าตัวตนในความคิด มันเป็นจักแต่ว่าคิ ด, คดมันก็คิดเป็ น, ปนมันมีธรรมชาติเป็นอาการที่มันต้องเกิดขึ้นเช่นมีไม้ที่อยู่ต่อหน้าหลงตาเนี่ยถ้ามีเสียงมาสัมผัสก็เจ็บเสียงเอาไปขยายให้เป็ น, ปนดังออกไป มันมีสัญญาณวิญญาณธาตุลู้อะไรได้วิญญาณธาตุชีวิตเราเนี่ยนอกจากธาตุสีก็มีช่องว่างในกายในใจเรานี่วิญญาณธ า, ณาต์อกกีกเป็บบนหกมันลู้อะไรได้ เราจึงต้องเอาประโยชน์จะให้เป็นแต่โทษอย่างเดียวถ้าจักแต่ว่ามันเป็นประโยชน์จักตว่ากายเป็นประโยชน์ถ้าเป็นเราไม่มีไม่มีประโยชน์มีแต่โทษบางทีกิตที่มันคิดก็นว่าเราจะเอายากอ้อน่ายกับความคิด ความผิดก็เป็นอันผิดความถูกเป็นอันถูกความหลงเป็นหลงให้เห็นเฉยเฉยเนี่ยมันจะไม่มีค่าในความผิดความถูกเห็นความสู่ความทุกข์ให้เห็นไปมันผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นนะเนี่ยมันจึงเป็นมันจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทามันจึงเป็นทางผ่านถ้ามันสุกเป็นผู้สุกไม่เป็นมัชิมา เป็นสุดตงรงไปทางหนึ่งถ้ามันทุกข์เป็นก็เป็นทุกข์ไม่เป็นมัชฌิมาสุดตงรงไปทางหนึ่งแต่ว่าอารมณ์ของสัตว์โลกของคนมีอยู่สองอย่างคือบวกคือลบอลบก็คือไม่พอใจถ้า่าบวกคือพอใจเราก็ข้องอยู่ที่นี่จะเห็นเราไปเลยผ่านไปเลยมีอยู่อันความสุขก็มีอยู่ความทุกข์ก็มีอยู่ ความพอใจก็ไม่อยู่ความไม่พอใจก็ไม่อยู่จึงเห็นจะเอากายเอาใจไปห้อยไปเขียนให้มันเกิดสุกเกิดทุกข์เพราะกายเพราะใจเดี๋ยวนี้เราให้กายให้ใจสั่งงานเราเราไม่เป็นเจ้าของเลยแล้วแต่มันจะใช่อย่างไทางทำตามหมด พระลุงพะหล่องพาลาละเวปันจขันธานหนักแลแต่เขาจะใช้อะไรชารพัชกิเลส พ, พันห า, า, นหาตันหารยแปดหนักเราจึงมาเป็นเจ้าของใช้มันใช้ใ จ, ใ, ใ, จใช้กายให้มันทำดี ห, ำดหัดใช้มัน มันเชื่องมันไม่ค่อยให้ใช่หันใหม่ๆว่าจะให้อยู่ด้วยกันมีสติดูกายเคลื่อนไหวตูวกาก็เห็นจิตมันจะคิดก็ดูอีกมันก็ไม่ค่อย ใ, ใช่ที่แรกเดยมันยังสุขชนรือร้อรื้อ ดื้อบางทีด้านด้วยเช่นความง้องหงอดอนเนี่ยมันมันดื้อความคิดรุงชานก็ดื้อไม่ใช่ใชว่าจะให้มันรู้ไม่เอามันจะหลับอย่างเดียวแล้วก็ไม่ถึงกับด้านแต่ด้านเราสอนไม่ได้หรือบ่า นโยปทะปราะะะมะมีเหมือนกันเหมือนบัวใต้น้ําใต้ดินนน่ะมีในโลกนี้มีเหมือนกันถ้าเรายกพลิกมือขึ้นรู้สึกยังไม่เป็นบัวใต้ดินนะพลิกมือตั้งไว้รู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกนี่บัวพ้นดินแท้ๆเลยอีกไม่นานจะพ้นน้ําบานออกมาได้ หลงตาเคยไปสอนบัวใต้ดินนะ่ะไม่รู้อะไรเลยคนแก่คนเท่าเนี่ยอาจจะเป็นบัวใต้ดินบอกให้พิกมือก็ไม่รู้ไปขั้วแต่กระตามากมาทำมาจบแล้วก็พูดเรื่องทอดปลาปลานั่งทอดกระทินสร้างนอนสร้างนี่ว่าไอนอนอันตัวเองไม่ได้ใช่เลย มันคือไหยกายใจเนี่ยใช่ได้ไหมจึงมาหัดกันมันไม่เป็นมาแต่เกิดถ้าไม่มีพทธเจ้าตัดสรเรื่องนี้คงบอดไปแล้วแตท่ทั้งที่มีอยู่มันอาจจะบอดไปจึงมาดูเนี่ยมันก็มีอยู่ให้เราเรียนรู้จากมันเนียา น, นจะหลงมันจะสุขกกับทุกข์นั่นแหละ อ่านตำรายออกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอัแรกก็เป็นกายเป็นใจก็เห็นไปเห็นมาหลายรลบหลายทั้งคุณหน้าคุณตาเขาเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมนันเป็นรูปกายเนี่ยอันที่มันรูปเลยได้นั่นเป็นนามธรรมปันรูปปันนามนี้มันเป็น อย่างนี้มานานแล้วไ่าใช่ตัวใช่ตอนอะไรเป็นรูปเป็นนามแต่รูปนี่ อ, อ, อาศัยมันได้ให้มันทาดีได้ถ้าไม่มีรูปไม่มีนามักก็มีไม่มีมักมีผลจึงมาอาศัยรูปนี่ให้ทำดีให้เล่าความชั่วมาอาศัยนามให้เป็นทาดีให้เล่าความชั่วมันจึงใช้ได้ ถ้ามันไม่หัดให้มันทำอย่างนี้มันก็ใช่ไปได้มันจะพาไปตกนรกถ้าไม่เห็นไปเป็นเปรตไปเช่ น, น, นละกายโนนถ้าไม่รู้มันตกนรกเท่ากับขนโคถ้ารู้มันจะไปนรกเท่ากับเขาโคน้อยน้อยผู้ที่จเจริญสติมีสติ ดีป้องกันได้อาบายาภูมิไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นจุลกายดีรักษาแน่นอนที่เรากลัวกันไม่ตกนลกเราต้องป้องกันเดี๋ยวนี้เรามันเห็นจึงป้องกันได้เห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นมาแล้วเห็นความโกรธป็นเป็นผู้โกรธ เห็นความหลงเห็นความโลกมันเป็นผู้โลกผู้โกรธผู้หลงนั่นนะอาจจะ ป, ปิดได้เลยถ้ามันเงี่งก็เลยเห็นทางไปสู่วัคสู่ผลเมือการเกิดเจ็บเจ็บตายได้ เพราะเราทำอย่างนี้ไม่ใช่อ้วนวอนเป็นการกระทำของเราเองอยู่กับการกระทำนี่แหละไม่ได้อาบเหงื่ออะไรมากก็มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยไม่ได้ยากทำได้ทุกคนพระพุทธเจ้าจึงว่าปฏิบัติได้ทำได้ให้ผลได้อย่างนี้ เปลี่ยนได้ไเวลามันหลงเปลี่ยนไม่หลงให้ลูกขณ<ฮ>ะที่มันหลงได้ไหมได้ทุกคน <c oughs> แล้วก็เวลามันทุกเปลี่ย น, ยนทุกไม่ให้เปลี่ยนทุกเนี่ยมันทำทาได้ทุกคน <c oughs> แต่หัดหัดไห้มันก็ทำได้ทุกคนน่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเห็นแ ต, ต่พิเตอไปได้บทเรียนจากกายจากใจได้บทเรียนเชแเชมีป <c oughs> ัญญากวตรงนี้รอบรูในกองสังขารสังขารกายสังขารจิตสังขารรอบรูทุกกรนีอันที่น่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่จนแน่นอน คำว่าจนใจจนใจไม่มีหรอกในโลกเนี่ยเนื้อโลกโลกลู่ในกองสขานเป็นปัญญาเป็นปัญญาของพุทธลู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาไ ม, มไม่หมักไม่หมูไม่จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ห้นออกมา อะไรที่มันแสดงออกจากกายจากใจรู้บทรูคบรู ท, รท้วนรูแช่งไม่ได้ไม่ได้ทำอีกเพราะมันจบจบเป็นสูตรที่จบจากชีวิตเราเนี่ยมันเรียนจบได้เรียกว่าอัเชคะ เศคารธรรมาเศคาธรรมะเนวาเศคานาเศคาธรรมาปลิรรรรตาธรรมามหคตาธรรมะปปปนาธรรมาปนิตาธรรมะฮ <c oughs> อา่าพเราไปฟังพระสวดแต่ว่าเราไปนึกวา่ <c oughs> พาพระสวดให้คนตายที่จริงพระท่านสอนเราอัจฉต า, า ธ, ตธรรมะภัาธรรมาอัจฉตาธรรมธรรมภายใน จัดภายในคือกายใจของเราให้มันดีไปทำทราภายในอกถ้าแต่ทาแต่ล่าแต่แป้งแต่งแต่ดอกไม้ทูบเทียนภายในไม่จัดเอเอเข้าทธรรมพระก็ต้องศึกษาชีวิตต้องศึกษาเรว่าเฉข้าธรรมเฉขาธรรมไม่ต้องศึกษาอก รู้แ ล, ล้วรู้แล้วรู้แล้วนะเหมือนอัญญาสิวัตถะโพกนตันโยอัญญาสิอญญาสิรู้แล้วหนองรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาทันทีแล้วเพราะอะไรเพราะปฏิบัติตามเราไม่ไหนวิคือวิเศษในยะนาไปหมหลงไม่ถูกต้องคงไม่หลงถูกต้องหวมหลงไม่เป็นไม่ไหนคมไม่หลงเป็นวินัย ความทุกข์เป็นไม่ไหนความไม่ทุกข์เป็นไม่ไหนพิเศษกว่ากันเป็นธรรมกว่ากันที่ว่าอเชขะจบได้ที่วัดสุกโตนี่จึงตั้งว่าสถาบันเลยเียวเพื่อเพื่อให้ศึกษาเรื่องชีวิตที่กายใจให้มันจบถ้าหมนจบก็ไม่มีปัญหา ก็เป็นประโยชน์ต่อสัพพชิงทุกสิ่งในโลกด้วยแจกของตนตะเกียงเลี้ยงคนตั้งเมือกได้ถ้ามันมีน้ำใจต่อควอมชอบธรรมเมื่อมีความไปทาเกิด ข, ขึ้นจากคนค น, คนหนึง่งก็เป็นควมไปทมเกิด ข, ขึ้นจากคนที่หนึ่งที่สองที่สามไปสิ่งวัตถุอื่ น, น, นได้นี่เราอย่าให้พลาดต่ชาตินี้ ในพันศานี้เราลองไม่ใช่ว่าจะเคร่งเครียดนะสนุกนะสนุกหลงลองดูซิสนุกทุกลองดูสนุกโกรธลองดูหัวล้อยิ้มตลอดเวลามันโกรธก็ยิ้มหัวล้ะตัวเองมันทุก็ยิ้มหัวราอตัวเองกกหเหรห็นทุกแตะแท้นั้นเห็นประเสริฐประทุถ้าจะพูดว่า พุโทโธตนนัวนี้พุโทโธพอนี่ยปาด ท, ทูปาดโธนะปาดโธปาด โ, ทาทโทตื่นขนาดนะ่ะลู่ตื่นเบิกบานขึ้นมาปาดโธแล้วก่อนไม่เห็นนะวันนี้มาเห็นแล้ววานเดียว น, น อ, อนต่อไปสอนคนจีนของโคตร อ, อมาจากปากเขา ว่าว่าเขาเข้าใจแล้วทุกสิ่งเกิดแต่หลงเพราะหลงมันจังคิดถ้าไม่คิดก็ไม่มีทุกทุกมันมีเพราะความคิดเป็นใหญ่เสียก่อนควมคิดนี่ถ้าให้เกิดทุกข์เลยคิดที่ไม่ตั้งใจนะ่ะมันอยู่ตรงนี้แนะ่นอนเอาละแบเนี่ยจะอยู่ตรงนี้จะจัดการตรงนี้มันเกิดจากความหลงก็เกิดจากความคิดนี่ มันคิดก็คือทุกข์ขึ้นมาอะไรก็เกิดจากความคิดทั้งนั้นพวกเราจังสวดมรรภังขมาธรรมามโนเสต้ามารรโมยธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็ น, ห, ปนหัวหน้าสำเร็จก็ทิ่ใจได้ดีไหมเมื่อเชี่ยวใส <c oughs> วดเราอาจารย์ต้องสินพาเราสวดสาธยายพสูตรหรือว่าเป็นภาษาโลกแกนลคุณทองไปได้เห็นด้วยหรือเปล่า หรือปล่อยให้มันลอยไ ป, อ ย, ป, ป, ปอย่างนั้นหรือเทื่อนเถือนอยู่เช่นนั้นหรือปล่อยเลยก็คืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวอยู่นั้นหรือไม่ได้เห็นว่ามันเทศอยู่ที่นี้นั่นลหละไม่ได้แก้ที่นี้ไม่จะไปอาธรรมอะลายอ้อนวอนอยากจะได้บุญลลายกูศนตรงไหนหลังตาก็บอกว่าใจไล่เดินะละลูกนะ ใจดีได้สวรรค์นนะใจเย็นได้นิพพานนะในใจแท้ๆจิตเตสังกลิเทสุขติปฏิกงขาเมื่อจิตดีสุขติเป็นที่หวังจิตเตอสังกัลิเททุกติปฏิกงขาเมื่อจิตเศร้าหมองสุขติเป็นที่หวังพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้เอามาบอกกันอยู่ทุกวันนี้ยังไม่หนีไปไหนอยู่ทกับเราเนี่แหละ ก็ให้จิตเศร้าหมองหน้าเงาหนางอหน้าปวดทำแบบนีทําไมทำไมไม่ชื่นบานพุทถุเห็นความโกรธก็ขึ้นอุทธรธรธรธรอายนโมเทียนท้ายาโกรธนี่อายให้แก้ผ้าอ้อมบ้านจะเอาถังแก้ผ้าเดินอ้อมบ้านอันที่มันหน้าอายจะทาแบบนั้นนะ้าโกรธเนี่ยไม่เอาแน่นอนให้แก้ผ้าอ้อมบานในกวัวถ้ามีใครบังคับ อมันเอาไม่ได้พราะไม่ถูกต้องแล้วคนเอาความกดไปอ้างกันเคยไหมไม่เปลี่ยนเอาความกดไปอ้างกันมีไหมด่ากันได้ขี้หน้ากันได้อเอาความกดไปอ้างกันไปด่ากันคำห ย, ยาบหยามเขียนฆ่าก็กันก็มีทําให้เดือดร้อนก็มี อางทีก็ทุกหม้อเข้าหม้อแ้งท่าความโกรธเปิดขึ้นมามีเหมือนกันยิงกันแล้วเปิดควงกันตายไปเท่าไหร่หรเราเราจะมาเชื่อตรงนี้เหตุอยู่ที่นี่นี้ปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เพื่อลาบสักระแฉงเสริญ เ, ญเญยินยอหมู่มิตรพวกพ้องบริวาร ไม่ใช่ไปเจ้าไม่ใช่ใชตั้งเป็นเจ้าละทินี้ใไรไม่ใช่แบบเพื่<ะ>อความหลุดพ้นในเรื่องนี้มาชวนกันอย่าทำอันอื่นให้พยายามตัวหนึ่งดูแลกันให้พร้อมพอสอมมีถ้าจะมาเดินจงกรมอยู่แถวลานเห็นโค้งก็ได้ถ้าอยู่ในกติมัน อาจารย์บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีก็ออกมาบ้างอาจารย์ทรงศิลก็อยู่แถวนี้หลวงพอ่อกรมก็อยู่แถวนี้อาจารย์ทองขานก็ญาน่าจะมาแถวนี้ดูแลพระด้วยหลวงพอ่อกรมหลวงพอ่อก็อยู่แถวนี้มีอะไรก็ถามถ่ยได้เราเหมือนเพื่อนกันอย่าปล่อยกันทิ้ง ไอ้ชีก็ดูแลกันญาติโยมก็ดูแลกันอยู่คิดกับใครก็ดูแลกันไปน่าเป็นห่วงแต่ไม่ชี้อะไรกินอยู่นี่ไม่เห็นไหมมาไหมฮะมาไหมเป็นอะไรไปผู้หลงโอ้ยังคิดยังคิดว่าจะบอกกันเนี่ยจริงนะไอ้ชีเนะ ไปดูไปดูความไปอยู่ของคนกินพระกินพิกษุนิกินให้เหมือนเรานะของอยู่ของกินเต็มห้องนะตอนเย็นมีผลไม้ดอกไม้มีอะไรกินขนมอะไรมีกินน้าร้อนน้ําอุ่นตั้งไว้ในห้องหงตาไปอยู่มังคีนเนี่ยเยอะยะเลยเออวางให้กิน แอปเปิลลูกโทษสงกัป <c oughs> ั่นแต่ไปหมดเลยแองโมลูกโท่าเนี่ยเอามาไหวให้ฉันตอนเย็นนะเรื่องดื่ ม, ม่เยอะเลยให้เราไม่ฉันเราไม่ฉันเขาก็มาปั่นเป็นน้าให้ปั่นทุกวันเห็นเราไหวฉันเลยเอามีดมาให้ปาดฝานอะไรกินแล้วก็ไม่ทำอะไรเอามาทํำน้ําให้ มาปนนนนะนนั่นน้ำให้กันจีนเขาไม่กินน้ำเย็นนะกินน้ำอุ่นนาะมีน้ำชาน้ำอุ่นเนาะน่าสงสารเธอมากก็ไม่มีใครถ้าจบดูแล้วน่ยมันก็มันก็อยู่กับโล่ได้ยากเนาะโล่มันขี้ทุกข์ขี้ยากสักหน่อยใช่ไหมอยากเอายก็ไม่ได้กินของเคี่ยว <c oughs> ฉันไม่ได้นะ ของเคี่ยวรู้จักไหมขึ้นหย่อ ม, มดอยของเค ข, ข้าวมันเป็นของเคี่ยวหล่อเป็นก้อนกลืนเนี่ยนี่ก็ไม่ได้นะของเคี่ยวไปกลืนแล้วก็ผิดเหมือนกันนะเบนเวียเต้น้ำคำข้าวเน่ยบางทีไปหิวข้าวไปเคี่ยวไปไหนกลืนแล้วก็ได้หล่อเป็นก้องก้อนกลืนลงไปก็ผิดศีลเหมือนกันนะต้องอาาําบตชเหมือนกันของเคี่ยวของนอน เกินไม่ได้ลงไปลำคอเวนไว้แต่น้ำแล้วไม่สีฟันดูแลกันหลังตาก็เรบบกพองมากเรื่องนี้ดูเลไม่ทั่วถึงไปจะอยากไปเยี่ยมพระนักปฏิบัติอยู่ในป่าก็ไปไม่ได้นะกันหลังว่าจะซื้อรถนั่งสักคันหนึ่งกัลงเข้กมมรถแบตอลตี <laughs> นั่งไปสองคุณหมูอยู่คันหนึ่งเท่าไหร่ประมาณแสนกว่าโอ้แสนกว่านี่ก็พอที่หาชื่อใดนะนะับผ่านพระองค์ไปให้พระองค์ขับไปอ้าสมควงเจรลากับพระองกัน